ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกราบครวะพระอาจารย์วัฒนชัยขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจเรญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะถ้าใครรู้สึกง่วงหลับง่วงนอนก็อาจจะเคลื่อนไหว นะสร้างจังหวะก็ได้นะสำหรับกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามวันนี้ท่านจันทร์ทรงสินให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้กายใจเต็มที่เลยวันนี้เต็มที่เลยแต่จะเต็มที่หรือเปล่าไม่รู้นะ มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยไม่ถือว่ามาถึงวัดป่าสุกโตเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะพูดกันแต่เรื่องนี้ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันจะต้องมาเรียนนํำใหม่นะเราก็มีความสุขดีนี่ยอาบาจขอนแก่นกำหนดให้เรามาเพื่อมาพัฒนา คนธรรมจริยธรรมนะอันนี้ก็คิดว่าคงจะได้มาฟังพระเทศเรื่องวินัยเรื่องศิลธรรมอะไรต่างๆนพะพอมาแล้วก็เอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะ น, นะมาเจออะไรก็ไม่รู้นะให้มานั่งยกน้ายกมือให้มาเดินจงกรมนะที่อาจารย์ทรงเสีนใช้คําว่ามันเดินเด้งหน้าเด้งหลังแล้วอ่ะ เรีว่าปวดเมื่อยกันไปตามๆกันนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราสังเกต ด, ดูเนาะชีวิตที่เราอยู่ในสังคมทั่วไปนะที่เราไม่ได้มาที่วัดเนี่ยถ้าเราปวดเราเมื่อยนะเราก็เปลี่ยนแล้วนะเราก็ไปหาสิ่งที่เดืองทำละเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เรียนรู้ความจริง ของกายของใจนะซึ่งความจริงข้อแรกเลยที่เห็นชัดเจนที่สุดเลย ก, ก็คือความที่มันทนอยู่ไม่ได้ภาษาภาษาพระก็เรียกทุกกะแหละนะการที่เรากาหนดให้เรามีการเคลื่อนไหวให้เราอยู่กับที่นะไม่ใช่เดินไปเรื่อยเปลื่อยนะไปเดินกินลมชมวูวฟังเสียงนกนะ อันนั้นก็เรียกว่าเพลินไปล้วกแาแบบท้เราอยู่ที่ที่หนึง่งแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเรียกว่าบังคับให้ตัวเองอยู่กับที่นะแล้วก็รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวตรงนี้เราทำเพื่ออะไรเพื่อให้สิ่งหรือความเคยชินของอความคิดก็ดีนะหรือว่าอาการต่างๆของกายก็ดี มันแสดงตัวออกมาเมื่อแสดงตัวออกมาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กับมันมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวหดหดไหมเบไหมนะตรงเนี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะเราไม่เคยมาฝึกเลยเนี่ยโอ้โหเมื่องนี้มันก็ต้องหลับแล้วนะทนไม่ไหวแล้ว ไปนอนดีกว่าลักษณะเช่นี้ก็คือคนที่อยู่ใต้อํานาจของความวุ่งเดนความวุ่งครอบงากําลังใจที่จะฝืนมันไม่มีเพราะฉะนั้นใจของเราก็จะสะ่อหน้าใจของเราก็จะอ่อนน่าเรียกว่าโดนอารมณ์โดนความวุ่งเนี่ยนามันมาครอบงาใจความรู้สึกตัวไม่มีแต่สังเกตเมื่อเราทํามาสองวันสามวันนี่ มันล่วงแต่ว่าก็ไม่กลับไปนอนฝูมันนะบางคนก็เดินให้มันเร็วขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะหรือบางทีก็ทําให้มันเร็วขึ้นสร้างยังไาให้มันเร็วขึ้นแก้ล่วงนะครับเรียกว่าเล่นกับมัน่ะนะเรียนรู้กับมันว่าความล่วงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมาครอบงําเราตลอดใช่ไหมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปบางทีมันก็อยู่นานบางทีมันก็ อยู่แป๊บเดียววันแรกมานี่สังเกตว่าหลายคนโอ้โหมันง่วงจริงๆอาจารย์เมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะมันน่าจะได้หลับสักนิดหนึ่งนะเล่นทำวันหนึ่งสิบ็ดชั่วโมงอะ่ะใช่ไหตั้งแต่ตีสามจนถึงสองทุ่มอ่ะสิบเจ็ดชั่วโมงมีเวลาพักเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทำในรูปแบบประมาณสิบชั่วโมงโอ้โหมันเป็นค่ายฝึกที่ โคไปหรือเปล่าคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะนะใช่ไหมไม่มีพักเลยไม่มีเบรกเลยถ้าเราไปสัมมนาทั่วไปมันต้องมีคอฟฟี่เบรกหน่อยใช่ไหมเออไม่มีเลยโหเล่นขนาดกินข้าวก็ยังต้องฝึกข้าวของน้ำก็ต้องฝึกโอ้โหมันโไปหรือเปล่านะอันนี้บางคนก็อาจจะมีมีม ม, มีคำถามอยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย การฝึกเจริญสติเนี่ยมันต้องอาศัยความต่อเนื่องคนสมัยก่อนเขาใช้ไม้สีไฟสีกันจนเรียกว่าให้มันเกิดไฟขึ้นมาได้แต่สมัยนี้เราคงจะไม่คุ้นเคยแล้ว ต, ต้องสื่อมันร้อนให้มันให้มันเป็นไฟขึ้นมาเหมือนเราฝึกสติเนี่ยถ้าเราทำทำหยุดๆยุดทำทำเล่นเล่นนะมันก็ไม่เกิดความรู้สึกตัวมันก็จะไม่ชัด เพราะนั้นเราฝึกเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนตีสามเนี่ยนะจนเข้านอนสองทุ่มเนี่ยนะเราเจริญสติถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคิดดูนะนาวินาทีหนึ่งหนึ่งรู้เนี่ยนาหกสิบรูนาทีคือหนึ่งนาทีหกสิบรู้ใช่ไหมถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามพันหกร้อยรู้ถ้าสิบชั่วโมงถ้าไรสามหมื 36, ่นหกพันรู้ สี่วันห้าวันมันจะเป็นกี่หมืน่นกี่แสนรู้นะเนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าเราทําต่อเนื่องนะแต่เป็นธรรมดาละคนที่ฝึกใหม่เนี่ยมันจะรู้บ้างเผลอบ้างมันจะรู้ตลอดไม่ได้หรอกนะบางทีเราไปตั้งใจจะรู้มากๆบางทีมันก็หนักมันก็ตึงเพราะนั้นเราก็รู้จากผ่อนคลายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเม่องเนี่ยเป็นแบบฝึกขัดบดแรกเลยนะที่เราจะเรียนรู้กันแล้วเอาความเมืองมาเป็นประโยชน์ อาการมันได้ดีมีบางคนบอกว่าหลับไม่อิ่มมาสองวันแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะจําอาการให้ดีแล้วไปนอนถึงเวลามันไม่ยอมมาดิมันก็ไปคิดนู่นคิดนี่นอีกใช่ไหมจำไม่ได้ว่าเอ๊ะมันอง่วงยังไงถึงเวลาจะนอนมันตื่นแต่ถึงเวลาปฏิบัติมันง่วงนะเนี่ยคือใจหรือว่าอาการของใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำ น, นาจของเราเลยใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มาฝึก งานฝึกเพื่อให้อยู่ในอำนาจอยู่ในความควบคุมหรือจัดระเบียบมันเขาเรียกว่าจัดระเบียบอารมณ์จัดระเบียบความคิดสมัยสิ่งที่จะมาช่วยจัดระเบียบได้ก็คือความรู้สึกตัวงานหรือว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองวันนี้หลายคนสังเกตว่าเริ่มจัดระเบียบได้แล้วมีอยู่คนนึงบอกมาชาวหงเร่องมากๆเลยจานนอนนี่อิ่มมาสองวันแล้วนะแต่ตอนบ่ายตื่นเออ ถึงบอกว่าความเม่องมันไม่ได้เมืองตลอดหรอกเดี๋ยวมันเมืองเดี๋ยวมันก็ตื่นนะมันหน้ามี้เม่องหน้านี้ตืนพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเราดูมันเมืองมันตื่นมันเมืองมันตื่นเราปลุกมันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรียนรู้มันเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปรู้ภาษาบาลีอะไรยอยะเลย มัเนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นกับเรานะเองทีนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ที่มันมีเนะี่ยมันไม่พอใช้่ไหมเราก็เลยต้องมาฝึกปลุกรู้เกิดตื่นให้มันตื่นขึ้นความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้มันคิดเอาไว้ไม่ได้ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยแต่เราสามารถจะใช้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ย เป็นตัวปรับการที่เราไม่นั่งนิ่งๆเพราะนั้นเมืเช้าเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าเคยฝึกแบบอานาปนาสติมานั่งนิ่งๆก็บอกว่าเป็นยังไงเขาบอกก็สงบดีแต่ว่ามันสงบขณะที่เรานั่งเท่านั้นเองพอตื่นขึ้นมามัานก็สง บ, บอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วอีกสักพักมันก็หายไปนะจุดนี้เนี่ยเพราะนั้นการฝึกเจริญสติโดยการขึ้นไหวเราจะไม่ไม่นั่งหลับตานะลืมตา ลมตาแล้วก็มีความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวมันจะพบกับความสงบอีกอย่างก็ียกว่าสงบแบบตื่นรู้ไม่ใช่สงบแบบนิ่งเหมือนตะเกียงไม่ใช่คำ ว, ว่าถ้าสงบแบบนิ่งเนี่ยเหมือนสงบเหมือนแข็งนหมือนแข็งเนี่ยมันจะเย็นขณะที่เป็นก้อนแล้วมันก็จะละลายไปเหมือนความสงบแบบนิ่งเนี่ยมันก็จะมีความสุขขณะที่เรานั่งสงบนิ่ง นะแล้วพอเราตื่นขึ้นมามันก็ละลายหายไป น, อยอ น, นี่คือสงบแบบน้ําแข็งส่วนสงบแบบตื่นรู้เนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าสงบหมือนน้ำลึกเวลาเราไปอาบน้ําเนี่ยเราพล่อไปลืมท่าน้ํามันจะอุ่นแต่ปล่ลงไปเรื่อยๆมันจะเย็นน้ํามันจะค่อยๆ เ, เย็นขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นความสงบแบบตื่นรู้เนี่ยมาก็คือความสงบที่เราเกิดจากการเจริญสติ ไม่ใช่สงบแบบไปนั่งนุ่งๆหลับตาแล้วก็สงบสบายซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะติดแล้วมันก็จะไม่กา้ามาเพราะนั้นคนที่ชอบนั่งสงบนุ่งๆแล้วไม่สนใจอะไรเลยคิดว่านงนั้นคือเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายของการฝึกกรรมาฐานเนี่ยมันไม่ทางผ่านแล้วอันนี้นไม่ใช่เป้าหมายเลยเป็นทางผ่านนั้นเองดะงนันเปรียบเทียบเหมือนกับว่า เราอยู่จังหวัดเชียภูมิจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเราเดินทางด้วยเกวียนด้วยด้วล้อด้วยด้วยมาเนี่ยขณะที่เราเดินทางไประหว่างทางไปเจอสระน้ําใหญ่หูต้นไม้เลนวิ่เราก็ไปแวะพักข้างทางไปนอนสบายเลยถามว่าจะถึงกรุงเทพไนหะมก็นะไม่ถึงใช่ไหมเหมือนกันเราไปนั่งนิ่งนงหลับตาเล่นมันก็สบายดีนะแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ย ไปทํานื่ น, น, นี้มันไม่สงบแล้วเขาเรียกว่าสงบชั่วคราวนะเหมือนกับน้ําแข็งมันละลายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องทํา ง, งานเคลื่อนไหวไปมาเราก็เลยต้องมาเจอสงบอีกแบบคืองสง บ, บแบบตื่นรู้ทีนี้สง บ, บแบบตื่นรู้เป็นยังไงนันนี้หลายคนอาจจะได้สัมผัสบ้างและจริงๆชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวสงบตัวนี้อยู่ นะมันเึิงไม่บ้ามันเึงไม่เป็นโรคประสาทสังเกตแบบตื่นรู้คื อ, อยังไงขณะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยใจเราปกติใช่ไหมไม่โกรธใช่ไหมไม่หงุดหงิดใช่ไหมนี่คือความสงบแบบตื่นรู้เราตื่นรู้อยู่นะแล้วถ้าเราสังเกตตรงนี้บ่อยๆเนียพอมันมีอะไรเข้ามาผิดปกติเช่นมันเมื่องเนี่ไอเราจะหงุดหงิดแล้ว ไมและเพื่อนหรืมันคิดเนี่ยอมันไม่ละเราหยุดหยีดกับมันละจริงๆความเรื่องจะดีความฟุ้นซ้ำจะดีเป็นอาการของใจที่มันจะผ่านเข้ามาเป็นธรรมชาติของของอาการของใจที่มันจะผ่านเข้ามาแต่เตัวเราเนี่ยสำคัญว่าไอเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดตอนนี้เราไม่อยากให้มันเกิดนะตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หยุดหยีดขึ้นมา เพราะนั้นจากอาการของกายก็ดีอาการของใจก็ดีเราไปคล้ายๆไปยึดไปถือมันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากมันเป็นอย่างนี้หรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันอยากเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าซ้อนขึ้นมาเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ ท, กที่ซ้อนขึ้นมาซึ่งความทุกข์อันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทัานอาการของกายของใจที่มันแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นความตรวจความเมื่อเนี่ย เราเดินมากๆ ม, มันก็ต้องปวดนะเราเแนกมานานมันก็จะเมื่อยอ่ะเห็นไหมแต่เราแบบไม่อยากให้มันปวดเลยไม่อยากให้มันเมื่อยเลยไม่อยากให้มันงื่องเลยไอ้ความไม่อยากให้มันเมื่อยแหละไอ้ตัวนี้มันทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นทํายังไงละ่ะที่เราจะไม่ทุกข์รับรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงเช่นกายเนี่ <im itation> เย <czne> เราเดินมากเราปรวดเราเมื่อยใช่ไหม บางทีเนี่ยเราเดินไปจนมันถึงที่สุดของความปวดเลยมันหายไปเลยก็มีเมื่อไหรละมันไม่หายจริงจรงเราก็เปลี่ยนวิธีแบบได้แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ใช่พอปวดเมื่อยปุ๊บเปลี่ยนทันทีแต่เช่เราเดินอยู่เนอะมันเมื่อยละจะนั่งน่าจะนั่งละอย่าพึ่งนะเดินต่อไปก่อนให้มันเมื่อยอีกสักพัดหนึ่งมันขอครั้งที่สองอย่าพึ่งนะขอครั้งที่สามอ่ะ จะเปลี่ยนและเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอันนี้จะเป็นการฝึกยับยัง้งชั่งใจไม่ได้ทําอะไรไปตามอาการที่มันเกิดนะซึ่งตัวนี้เป็นการฝึกฝืนฝึกฝนฝึกความอดทนแล้วมันจะเกิดปัญญาในขนาดนั้นด้วยปัญญาเห็นความจริงว่าโอ้กายเนี่ยมันก็เจ็บปวดนะมันเป็นทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อเราเปลี่ยนวิรีดดเราไปนั่งแล้วสังเกต ด, ดูนะมันจะคลายมันจะหายปวดหายเมื่อย เออนี้มันก็เปลี่ยนแปลงเด็กเราเห็นว่าอาการของกายก็ยังเปลี่ยนแปลงได้นี่นแหละความเมื่องเหมือนกันความเมื่อยในอาการของใจเนี่ยมันไม่ใช่จะเมื่องตลอด24ชั่วโมงหรืเมื่องตลอดชั่วโมงแบบที่เราเดินจงกรมกันเนี่ยเดี๋ยวมันเมื่องหนักหนักเดี๋ยวมันก็ตุ่มที่สุดของความเมื่องคือความตุ่มบางทีเราเดินเดินไปเนี่ยนาเดินไปมันป ốc, ๊อกคลๆมันตกกางอากาศเลยใช่ไหมแล้วมัตืต่นขึ้นมามีนะเออ อันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ที่สุด ข, ของความเรื่องมันคือความปืดเพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนี่ยแม้แต่าการของใจที่มันแสดงมันก็กลับไปกลับมามันแรปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้ภาษาพระก็เรียกว่าอา น, นิจังมันทนไม่ได้ทุกขังเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่มีก็คือตายอาการของกายอาการของใจที่แสดงออกมาเนี่ยตร็นเนื้อละเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องไป ไปบัญญัติมั น, มาานก็นได้กไปจะมือพูดกันอ่ะไอ้นี่มันใจจังใช่ไหมไอ้นี่มันทุกข์ขังใช่ไหมรูม้เพียงแต่ว่าอ๋อมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราตัดมันรู้สึกตัวบ่อยๆเครื่องมือที่เราจะเห็นตรงนี้ได้คือความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวมันจะเปลีได้โดยการเคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งๆแม้ขณะที่ฟังอยู่เนี่ยมันผมก็นั่งใจลอยไปแล้วพูดอะไรก็มู้ฟังเหนืน่อยมึนเมื่อนะแล้วก็มาเราก็เปิดเมื่อยตอาอยู่ละนะนะ พระก็ไมยอมหนีเพราะทีเบอร์มีหน้าละไอเราก็จะงี่ยงเสมอมันก็งี่ยงไม่ได้เลยนะเออเมื่อเอาความเมื่องมาเป็นความทุกข์เด็กนะแทนที่เอาความเมื่องเนี่ยมาเป็นแบบเรียนมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราเรียนรู้ความจริงของกายที่มันแสดงออกมาแล้วให้มันเห็นเท่าทันความจริงของชีวิตความจริงของร่างกายของจิตใจที่มัน มันจะเป็นอาการทั้งหมดอย่างนั้นแต่ความที่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวเราเข้าไปทั้งเราปวดเราเมื่อยเราเนื่องไม่อยากให้มันปวดเร يد, ่อยากให้มันมีบางคนถามว่ามันจะหายเนื่องไหมอาจมาบอกมีคนประเภทเดียวที่หายง่วงคือพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่หายง่วงเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ว่าเราสังเกตนะวันแรกที่เรามาเนี่ยมันเนื่องหนักๆเลยแต่ประมาณวันที่สองเนี่ยมันเนื่องอยู่ แต่มันเบาลงมันก็ยังหนักอยู่นะแต่มันเบาลงที่มันเบาลงเพราะอะไรความรู้สึกตัวมันเริ่มตื่นแล้วไงมันตัวมันข้ามอะความเมื่อยตรงข้ามกับความตื่นเพราะนั้นตรงนี้มันเริ่มมีพัฒนาการหลายคนบางคนบอกอยากให้มันหายไปเลยไอ้ความอยากให้มันหายมันเลยไม่หายไงเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่น้ําหนักมันจะลดลงความรู้สึกตัวมันจะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฝึกลงไปเต็มที่เนี่ย เราจะได้ประสบะการณ์แม้แต่ความฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยไราอยู่ที่บ้านนะไม่เคยคิดฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยมาปฏิบัติธรรมโอ้โหมันมาจากไหนใช่ไหมแต่นี้ไม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานมันก็คิดแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูมันเราไปดูเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องภายน อ, อกแบบไ ง, งาเราก็ไม่ได้็ไม่เห็นมันแต่มาที่นี่เนี่ย งานการก็ทิ้งโทรศัพท์ก็เดินยึดทุกสิ่งทุกอย่างกุญแจรถก็เดินยุดไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอยู่กับที่ตำรานจนกลมเนี่ยเดินกลับไปกลับมามันเพิมาเรารู้เห็นไงยิ่งปฏิบัติมากๆเท่าไหร่สติมันตื่นมากขึ้มันได้เห็นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดที่สแสดงขึ้นมาเหมือ น, นกันเหมือนว่าความ่อยนี่แหละ เพรน้นคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้โหมาปฏิบัติแรกๆเนี่ยนะมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันต้องเย็นมันต้องเบาสบายที่ไหนได้มาถึงโอ้โหอะไรเนื้องกองเนื้องฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่ า, า, าปนปวดเมื่อยทรมานหน้าดูเลยสามวันแรกสามวันแรกเนี่ยนะจำทุกสินบอกสามวันเนีเข็ดเลยนะแต่ถ้าเราผ่านสามวันไปเนี่ย มันจะเริ่มไปสัมผัสกับอรมณ์ที่มันละเอียดลงไปแต่บางคนบางคนอาจจะได้สัมผัสแล้วล่ะเดินแล้วมันอ้วนสบายๆเบาๆเบาเดินไเรื่อยๆรู้สึกตัวชครับอ่าเนี่ยมันก็จะมีคือคืออารมณ์ที่มันละเอียดเนี่ยมันจะมาทีหลังอารมณ์แบหยาบมันจะมาก่อนความง่วงความเบวความฟุ้งซ่านอ่าเพื่อนเน่มันจะมาก่อนแล้วก็เรื่องเก่าๆที่มัน มันไม่เคยดีอ่ะแอะอกุศลมันจะมาก่อนของหยาบมันจะมาก่อนกุศลมันจะมาทีหลังนะตรงนี้มันจะมันจะเป็นมันจะเป็นอารมณ์ที่มันจะผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติชัดจะได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเรารู้เท่าทันมันแล้วเราก็ไม่จมไปอยู่ในอารมณ์ไม่จมไปอยู่ในความคิด แต่ตอนนี้เราไม่ได้ฝึกเนี่ยชีวิตของเราจมไปอยู่กับความคิจดจมไปอยู่นอารมณ์พอเราเนื่องเราก็เนื่องหนักเลยพอเราเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดหนักเลยนะเรียกว่าเจ็บกายใจก็เจ็บไปด้วยนะเมื่อตอนบา่บายไปถามเด็กคนนึงว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกร้อนแล้วเป็นไงหนักหนี้ไหมหนัหนีดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเราร้อนกายร้อน ใจหมุกิดแต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยเรารู้กายร้อนใช้ปกติก็ได้นะไม่หมุดกีก็ได้นะนยามันจะเห็นความแตกต่างเลยนะเฮ้ยมันหมุกิดแล้วเนี่ยจากกายที่ร้อนก็รับรู้มันเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดเรียกว่าเปิดวิติใหม่ของชีวิตขึ้นมาก็คือแต่ก่อนเนี่ยกายเจ็บใจเจ็บด้วย กายร้อนใจร้อนด้วยหิวกายหิวใจหิวด้วยแต่ต้าเรามาฝึกสติแล้วกราจนกายหิวใจปกติกายร้อนใจปกติใจปกติคืออะไรก็รู้สึกตัวนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นกับมารู้สึกตัวกับมารู้สึกตัวตรงนี้ใจมันจะปกติมันจะแสดงตัวออกมาเพราะฉะนั้นตรนี้เนี่ยมันจะเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมานะเป็นชีวิตที่รู้เท่าทันความจริง รู้เท่าทันอาการของกายอาการของใจที่มันแสดงออกมางานะที่เราฝึกกันเนี่ยก็ให้ใหมาเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเจ็บสุกก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยให้รู้มันอย่าไปจมอยู่กับมันกลับมารู้สึกตัวนะอย่าไปจมในสุขแล้วก็อย่าไปจมในทุกข์สุขเราอยากได้ทุกข์เราอยากออกไปแต่ถ้าใจมันจะมีอันนึงก็คือใจปกติไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้มันมีอยู่ ขณะที่ฟังอยู่ตอนนี้ยก็มีอยู่เพราะฉะนั้นะนะตรง น, นี้เนี่ยชีวิตจะเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขใจจะเป็นสันติสุขนะเรียกว่าเป็นสงบแบบตื่นรู้นะและใจสงบตื่นรู้วิจัยที่มีสันติสุขนี่แหละเป็นใจที่พร้อมที่จะทา ง, งานเป็นใจที่พร้อมที่จะทาหน้าที่แล้ะตรง น, นีน้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเพราะฉะนั้นอบจอขอนแก่นมาเนี่ยนะ ถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดผล อ, อย่างน้อยๆทำให้ข้าราชการพนักงานเนี่ยรู้จักการที่ตัวทาใจอ๋ อ, จ, อจปกติเป็นอย่างนี้นะมันพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะให้บริการประชาชนแล้วเราก็จะมีความสุขในใจเรานะทำงานด้วยความขายันขันแข็งคุณมาทำจริยธรรมอะไรเกิดขึ้นเอง นาจากการที่เรามีสติสติเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณธรรมทั้งหลายลเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดผลกับหน่วยงานองคอ์กรด้วยเขาบอกว่าจะพัฒนาองคอ์กรหรือพัฒนาสังคมต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาคนเนี่ยต้องพัฒนาที่ใจเพราะนั้นที่เราม า, จาเจริญสติเนี่ยเราพัฒนาใจให้ใจมันรู้ เท่าทันกับความจริงของกายของใจแล้วก็ให้ใจมันเป็นปกติเมื่อใจปกติใจเป็นสุขมีการพัฒนาคนก็เดินพัฒนาและเมื่อคนพัฒนาแล้วองคอก์กรก็จะได้รับการพัฒนาเพราะฉะนถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญใน อ, องค์กรเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากประเทศสิงคโปร์ที่จเจริญได้ก็พัฒนาเรื่องคนนแต่นั้นก็จะไปพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรไป นะแต่ของเราเนี่ยพัฒนาเรื่องใจที่เรามากันสี่ห้าวันเนี่ยซึ่งอาตมาคิดว่ามุประมาณคงไม่ใช่น้อยนะถ้าเรามาทำเร่อเล่นทิ้งทีงกว้างๆเนี่ยน่าเสียดายมากนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะอยากจะฝากพวกเราไว้เนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยการฝึกเจริญสติเนี่ยหรือการฝึกกรรมาฐานเนี่ยเป็นวิธีรัดรัดสั้น ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากใช้สูตรสูตรตัวที่อาจารย์ลุงสินนั่นใช้เนี่ยใจมีสติอึ๋ว ก, กายแค่เนี่ยแต่ทําให้มันซ้ำซ้ำซำ้แต่การทำซ้ำซ้ำเนี่ยหลายคนอาจจะเบื่อนะน่าเบื่อจริงนั่นแหละพอมันเบื่อให้รู้กลับมารู้สึกตัวมันเมื่องกลับมารู้สึกตัวมันเมื่องกลับมารู้สึกตัวถ้ามันกลับมารู้สึกตัวไม่ได้ทําให้มันแรงแรงก็ได้เดินให้มันเร็วเร็วกระทิบเท้าลงไป ตบให้มันแรงๆให้มันตื่นตัวอย่าพยายามจะเนินมันความเมื่องเลยนะมันพยายามทําให้ตาเราหลับเราตื่นสายมันนะถ้ายกมือแล้วช้าๆเนี่ยมันเมื่องยกให้มันเร็วขึ้นเรียกว่าทวนกระแสมันเป็นเรื่องของการทวนเลยนะทวนสิ่งที่มันจะมาทําให้เราไม่ทําอันนี้ต้องเรียกว่าฝืนมันหน่อยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราตื่นขึ้นมาได้เพราะนั้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกนะ ไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเองการทำในรูปแบบเนี่ยเป็นเรื่องจาเป็นเพราะฉะนั้นที่เราพยายามให้พวกเราทำเนี่ยธรรมาลําความเมตตาละประมาณสิบชั่วโมงได้นะในรูปแบบเนี่ยเท่าที่เท่า ท, าที่ตั้งแต่ตีสามจนถึงประมาณสองทุเนี่ยตัดเวลาอย่างอื่นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจทำเนี่ยนะผมันก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยเรียกว่าได้ทั้งความลําบากได้ทั้งประสบการณ์ เป็นบทเรียนแล้วทําให้ใจของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้นอกจากการมันไม่รูปแบบเนี่อยอาจจะมนจุดอ่อนอย่ารล่ะห น, นึ่งก็คือว่าพอเสียงระฆังม่วงมาแบบเวลาปุ๊ในใจมันเฮแล้วก็คุยอย่างมันดีเลยแต่นี้คือจุดอ่อนเลยนะสติฝึกมาสี่ชั่วโมงคุยกันเพียงแค่ไม่กี่คําเนี่ยหายหมดแล้วมาเริ่มต้นใหม่ น, นั่นอาจารย์พยานที่จะเน้นว่าพูดกันน้อยๆหรือไม่พูดกันเลยตรงเนี้ยเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บหอมลอมลิบเหมือนเราเอาสตังใส่กระปุกอมศินอันนี้เอาสติใส่ไปในใจถ้าเราทําแหมตอนทำนึงเอาจริงเอาจังพอเลิกปุ๊บเฮ้แล้วก็ไปคุยกันนะขนาดขนาดเดินยดินกลมเดินเดินคุยกันเลยวนะทำไมาเห็นว่ามีบางคนเนี่ย โดนคุยกันนะ่ะเพราะฉนั้นมรดมานเนี่ยน่าเสียดายนะคิดว่าเป็นแสนเมา่ ง, งานเนี้ยเป็นแสนหลายแสนนะนะเพราะนั้นน่าเสียดายมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นโอกาสของพวกเราเนาะแต่ก็ยังว่าอะ่ะอาจจะยังไม่รู้จะทําไปทําไมไม่รู้เบื่อจะตายไปทําซ้ําๆำซัำซำซำซกๆเห็นมีประโยชน์อะไรจับเรามาทรมานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ่ะ จั บ, าาบาน้ำมาดัดมิสัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคนคิดไปอย่างนั้นนะ่ะนะเพราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยให้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของพวกเราที่จะได้มาเรียนรู้ตัวเราเองแล้วก็พัฒนาใจของเรานะให้เรามีใจที่พร้อมที่จะทําทการทํางานมีใจที่จะเป็นสุขได้สัมผัสกับสุขที่มันเหนือสุขเขาเรียกว่าสุขเหนือสุขนะ้ก็คือความเป็นปกติสุขหนะรือสันติสุขในใจ มันมีวความเป็นปกติของใจนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นของที่มีค่ามีราคามากเอามันเล่าล้านพันล้านซื้อไม่ได้เซเว่นไม่มีขายแมคโครไม่มีขายต้องทําเองแล้วถ้ามีความสุขทนีนี้เนี่ยมันจะกินน้อยใช้น้อยเงินที่มีเนี่ยมันจะมันจะเหลือกินเหลือใช้ไอ้ที่เหลือเนี่ยมันไม่เหลือไม่เหลือหรือว่าไม่พอใช้ต้องไปใช้บัตรเครดิตไปมดเงินซื้อเนี่ยเพราะเราไม่มีความสุขอันนี้ เราแต่ความสุขจากวัตถุข้างนอกอะ่ะแปลว่าจากเสียงเพลงจากอาหารการกินแล้วเดี๋ยวเนี้ยการตลาดมันพยายามชวนให้เราซื้อทั้งนั้นแหละนะแล้วก็มาเสนอยสนองว่า ม, มีความสุขความสุขที่จริงไม่ใช่ความสุขเลยเป็นความสะดวกสบายทําให้เราพอใจพอใจแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าเรามีความสุขอยู่ในใจเนี่ยมันอิ่มมันไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อที่ไหน เรายังทำงานอยู่เป็นปกติเรายังมีชีวิตยอยู่เป็นปกติเรายังซื้อกินอะไรเป็นปกติแต่เราจะรู้ว่าควรจะซื้ออะไรไม่ควรจะซื้ออะไรแล้วก็จะรู้ถ้าทคำกลไ ก, ลกของธุรกิจของการตลาดด้วยอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นมันจะแยกแยะได้เด๋ยวนี้มันมันช่วยได้ซื้อหมดละชิงโชคบางอะไรบ้างนะอชิตันเนี้ยขวดเท่าไหร่หนาะเดี๋ยวได้รับปอเช่เดี๋ยวได้ทองคา น้ำหวานธรรมดาธรรมดามาขายกลัวตั้งสิบกว่าบาทยี่สิบาทไม่เมีอะไรเลยจริงๆน้ำหวานดีๆนี่เองนะแล้วก็เสียตังค์ไป ม, มากมายเพราะตรงนี้เราไม่มีความสุขในใจเนี่ยเราไปพิ่งหาความสุขจากวัตถุ ข, ข้างนอกแต่เงินมไม่พอใช้หลักต้องมุ่ตลอดนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดผลนะจากการเจริญสติเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีความสุขในใจของเราแล้วก็มีพลังพลังใจ ที่จะทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะแล้วก็ความสุขนี้ไม่ได้เผื่อแผ่ไปถึงคนใกล้เคียงได้คนในครอบครัวได้แล้วก็ในที่ทํางานนะความขัดแยง้งความไม่มีวิธใดเนี่ยมันเกิดจากการในใจเรามันขัดแย้งก่อนเราทะเลาะ ก, กับตัวเองมาก่อนพอเราทะเลาะ ก, กับตัวเองมันก็ไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมันเกิดในใจเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะ สองคนที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะใจคนเนี่ยมันไม่ปกติมันวุ่นวายใจมันก็เลยไปหาเรื่องข้างนอกแต่ว้าเรากลับมาที่ใจเนี่ยพอใจสงบใจมีสันติสุขใจมันปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเองมันจะมีวินัยเองในตัวเพราะนั้นระเบียบในข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองเพราะนั้นเรื่องคนไม่เรื่องสําคัญแต่นี่ก็แบบปฏิรูปเรืปฏิรูปนี่ต้องปฏิรูปเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่ปฏิรูปเรื่องนี้เนี่ย ไอ้ที่ทํามาทั้งหมดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะเพราะนั้นการปฏิรูปใจในเป็นเรื่องสําคัญจิตปัญญานในเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่จะใช้ในการปฏิรูปได้คือสติหรือความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นที่เรามาทํากันสองวันสามวันเรามีทาเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวบุง้งเรียกวันเต็มที่เลยนะตรงเนี้ยเก็บเกี่ยวแล้วใช้เวลาเต็มที่กับเรื่องพวกนี้ทําอย่างเดียวแต่ทำซ้ำๆย้ำไปย้ํามา แก้ไขอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะเผอบ้างรู้บ้างเผอบ้างกลับมารู้ด้วยบ่อยๆกลับมารู้ได้บ่อ ย, อยตรวนี้จะเป็นจุดสําคัญเพราะนั้นเราเอากายความรู้สึกตัวที่กลายเป็นหลักเมื่อเรารู้สึกตัวที่กายแล้วเราจะเห็นจิตที่มันคิดนะแล้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจากทำในรูปแบบแล้วอย่าลืมเมออื่อรูปแบบในกิจวัตรประจําวัน จะแปลงฟันก็ดีจะอาบน้ําก็ดีจะกินข้าวก็ดีจะเดินไปไหนมาไหนก็ดีให้มีความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวก็ไปเตือนาที่จะรู้สึกตัว้าไปอย่าไปทําตามความเคยชินเก่าๆพอเลิกแล้วก็อะคุยกันเลยอยู่ว่างๆมันมีะอะไรต้อคุยกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนของคนที่มาปฏิบัติที่ทําไม่เน่นช้าเนี่ยเพราะไม่ต่อเนื่องมันเนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็พโดยชัดมาถ้าจะรียนสติแบบ ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยอย่างเร็วหนวันหนึ่งเก้าสิบวันอย่างกลางหนึ่งปีอย่างนานที่สุดสามปีความทุกข์จะลดลงสิ่งที่ท่านพี่นี่ท่านไม่ได้ลึกคิดเองนะแต่ท่านสอนคนมาเป็นมันพันคนนะ่ะจากประสบการณ์เนี่ยท่านถึงสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณทำจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะเกิดอย่างนี้จริงๆงน่ะไม่เป็นสิ่งที่ท่านพิสูจน์ม า, านม่ะเป็นสิ่งที่ท่านได้ประสบมาเพราะฉะนั้น เราเองมีโอกาสมาอยู่วัดป่าสุกโตเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราจะปล่อยโอกาสนี้ไปเสียแล้วเราจะปล่ยเวลาให้มันเสียไปเปล่าเรื่องนี้เหรอะฉะนั้นมาที่นี่แล้วลมเลยลุยมันเต็มที่เลยใช้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่นะตรง น, นี้จะทำให้เราได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยสิ่งที่มันมีค่าสำหรับชีวิตของเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ เชิญชวนชักชวนพวกเรามาพิสูจน์เรื่องนี้ดูนะเราพิสูจน์เรื่องนี้มามากแล้วเราทําเรื่องนี้มามากแล้วเราลองมาทําเรื่องนี้ดูพิมรื่องอะไรเต็นที่อีกหนึ่งวันนะแล้วก็มันสุดท้ายอีกประมาณครึ่งวันอันนี้สําหรับอบจขอนแก่นส่วนคนที่อยู่วัดนี่ก็คงปฏิบัติกันอยู่แล้วนะแต่อย่าประมาทนะอยู่วัดเนี่ยไม่แน่นะบางทีปฏิบัติต้องไม่ปฏิบัติบ้างเนี่ย นะบางทีเราก็เสียโอกาสไปมาอยู่วัดเนี่ยกลายเป็นคนแก่วัดก็มีนะตรงนี้ก็ต้องระวังนั่งนนคนที่อยู่วัดนะบางทีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างบางคนมาแบบมากินกินนอนนะตรงนี้ก็เสียดายไม่ใช่แหละธรรมะไม่ได้ว่านะแต่เสียดายเวลาเสียดายโอกาสที่มาอยู่วัดที่วัดป่าสุกเตอรเนี่ยอากาศมันดีนสบายกินนอนแล้วนะที่นี่เนี่ยอาตมาใช้คำว่าดินแดนเสรีทําอะไรก็ได้ ทำปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้สิ่งตรงนี้น่าเสียดายคนที่มาอยู่นะแล้วไม่ไปฏิบัติจะเสียดายมากน ะ, ะสิ่งที่พูดมาก็มากมายเยอะแยะสรุปสรุปไปก็แล้วกันนะว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนะี่ยให้ทําในรูปแบบโดยรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนั่งที่ไหนว่างๆยกมือเลย เดินยองกลไปอย่าไปคุยกันนะนั่งฟังนี่ก็ยุกมือได้ไม่เป็นไรนะที่นี่เนี่ยเขาไม่บ้าเราบ้าหรอกแต่ไปนอกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็จ ะ, ะบ้าเราบ้าประเด็นที่นี่เนี่ยเต็มที่เลยเวลาว่างอย่าไปคุยกันคุยกันเดี๋ยวกลับไปที่ทํา ง, งานแล้วได้คุยกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะอยากให้เราใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เวลาเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวจริงๆนะทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน นะอย่าไปหูกำหนดเวลาแค่นี้แค่นี้นะทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้ลองมาดูซิผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะก็ลองมาพิสูจน์กันดูนะอะไรใน <c oughs> ที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนานะกับกลุ่มมืวเจาขอนแก่นนะที่นำเจ้าหน้าที่พนักงานกอการนะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเรียนรู้ ในะเรื่องกายเรื่องใจในะเพื่อให้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นความเป็นปกติของใจในะเพื่อให้ใจมีพลังในะพร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะทํางานในะเพื่อตอนเองเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติต่อไปในะก็ขอให้ความภาคเพลี่ยนพยายามของทุกท่านในะจงประสบความสําเร็จในะตาม กำลังความสามารถความเพียรของแต่ละคนนะในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร